ค, คำว่าไม่พึงถือสังขารอะไรๆว่าของเราการยึดถือว่าของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือยึดถือด้วยตัณหากับ <Like> ยึดถือด้วยทิฏฐิภิกษุนี้ละความยึดถือว่าของเราด้วยตัณหาสละคืนความยึดถือว่าของเราด้วยทิฏฐิแล้วไม่ถือไม่จับไม่ยึดถือไม่ถือมั่นจักสุว่าของเราไม่จับไม่ยึดไม่ถือมั่นว่าหูว่าเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายใจเป็นของเรา รวบเสียงกลิ่นรสโภทภะว่าเป็นของเราไม่ยึดถือสกุลคณะอาวาสว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือกีวอนบินธบาทเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือการมาท่ารูปประธาต์อรูปประธาต์ว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือการมาพบรูปประพบอรูปประพบว่าเป็นของเรานะไม่พึงยึดถือ สัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณาสัญญาภพว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือเอกโวโการภพจตวโวการภพปัญจโวโการภพว่าเป็นของเราไม่ยึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันว่าเป็นของเรารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งว่าของเรา ในสังขารอะไรอะไรนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรคําว่าในโลกก็คืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนาโลกเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่พึงถือสังขารอะไรอะไรว่าของเราในโลกสรุปว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักสูุทั้งหลายพึงป้องกันหูจากคา ม, มากถาไม่พึงติดใจในรถไม่พึงถือสังขารอะไรอะไรว่าเป็นของเราเนีย่ยนะ อันผู้ที่รักษาตารักษาหูไม่ติดในรถเนี่ยนะผู้นี้ก็อินทรียังวรศีนก็จะบริบูรณ์คาถาต่อไปว่าภิกษุเพ่งเป็นผู้ถูก菩ะกระทบแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นไม่เพ่งทำความรำพันในที่ไหนๆ ไ, ไม่เพ่งปรารถนาพบและไม่เพ่งหวนไหวเพราะความขลาดกลัว น, นะ อธิบายว่าภิกษุพึงเป็นผู้ถูกภาษะกระทบแล้วเมื่อใดความว่าเป็นผู้ถูกภาษะคือโรคถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วนะเป็นผู้ถูกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคใจโรคศีรษะนะโรคในหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดหวัดไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้อง โรคลมสลบโรคบิดจุกเสียดลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอรลมบ้าหมูหิตเปื่อยหิดด้านโรคหูอนะก็คือโรคที่ได้ยินอ่ะนะอาพาธมีสมุทฐาน8ไม่ว่าจะเป็นความหนาวความร้อนหิวกับหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือยคลานถูกต้องครอบงามแล้วนั้นจึงชื่อว่าถูกผัสสะกระทบเข้าแล้วเมื่อใด ก็คือเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาพาธอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้รับกระทบรับสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อนั้นไม่พึงทําความรําพันในที่ไหนๆความว่าภิกษุนั้นไม่ควรทําความรําพันมันนะความร้องให้ร่ําให้อาการรําพันการพูดถึงความเป็นผู้รําพันความเป็นผู้พูดถึงความใคร่ความเพ้อ บอกเล่าอาการที่บอกเล่าความเป็นผู้บอกเล่าคือไม่พึงให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะเนี่ยนะคําว่าในที่ไหนๆคือในที่ไหนๆทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่พึงรําพันในที่ไหนๆนะเกิดว่าได้รับความทุกข์รับกระทบภาษาที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ต้องรําพันจากที่ในที่ไหนสักอย่างก็ ดีเสมหะลมเป็นต้นนั่นแหละคำว่าไม่พึงปรารถนาพบความว่าไม่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาทั่วไม่พึงปรารถนาเฉพาะซึ่งกามาพบรูปประพบอรูปประพบเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เพึงปรารถนาพบเนะชื่อว่าความขาดกลัวในนั่นนะคำว่าคำว่ากลัวเนี่ยนะกลัวก็มาจากคําว่าภายัย ภัยก็ดีความขลาดกลัวก็ดีโดยอาการก็อย่างเดียวกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภัยความขลาดกลัวนี้นั้นย่อมมีมาแน่ภัยนั้นท่านกล่าวว่ามีวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอะไรจากราชสีเสือโครงเสือเหลืองมีเสือดาวหมาในหมาป่าโคกระบือช้างงูแมลงป่องตะขาบโจรคนที่ทํากรรมชั่วคนที่เตรียมจะทํากรรมชั่ว อันนี้เรียกว่าภัยภายนอกเนี่ยนะอารมณ์ที่น่ากลัวเนี่ยนะอันหนึ่งโดยอาการอื่นความกลัวกิริยาที่กลัวความหวั่นความเป็นผู้มีขนลุกอันเกิดในจิตในภายในความหวาดเสียวความสะดุ้งแห่งจิตภัยแต่ชาติภัยแต่ชราภัยแต่พญาทีภัยแต่มรณะภัยจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ําภัยจากความติเตียนตน ภัยจากผู้อื่นติเตียนไม่ว่าจะเป็นภัยจากอาทยาภัยจากทุคติภัยจากคลื่นคือความโกรธภัยจากจรเข้คือปากท้องเนี่ยนะภัยจากวางน้าวนคือกามคุณหภัยแต่ปลาร้ายคือมาตุคามภัยในการเลี้ยงชีวิตภัยในการติเตียนภัยในการขลั่นคล้มในประชุมชนความขาดความหวั่นความเป็นผู้มีขนลุกความหวาเสียวความสะดุ้งแห่งจิตนี้เรียกว่าภัย คำว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความกลัวภัยที่กล่าวไปคือพิกษุเห็นหรือได้ยินวัตถุที่น่ากลัวไม่พึงสะดุ้งสะทกสะทานหวั่นไหวหวาดเสียวครั่นคล้ามเกรงกลัวถึงความสะดุ้งกลัวคือพึงเป็นเพึงป็นผู้ไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่นี้ไปพึงเป็นผู้ละความกลัวความขลาดเสียปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าภิกษุพึงเป็นผู้ถูกภัสสะกระทบแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นไม่พึงทำความรำพันในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาพบและไม่พึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัวภิกษุได้แล้วซึ่งข้าวก็ดีน้ำก็ดีของควรเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีไม่ควรทำการสังสมเกี่ยว่ามีปัจจัยสี่ก็ไม่ควรสังสม เมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นนั้นก็ไม่พึงสะดุ้งนะคําว่าข้าวข้าวก็พวกอะไรข้าวสุก ข, ขนมกุมมาสัตตุปลาเนื้อนะี่ยนะรวมในข้าวหมดอ่ะก็คืออาหารทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นของขค้าของหวานอ่ะนะน้ําก็คือพวกน้ําปานะาไม่ว่าจะเป็นน้ํามะม่วงน้ําว่าผลกล้วยมีเม็ดกล้วยไม่มีเวทผลมาสางผลจันทร์รากบัวหรือว่าผลลิ้นจีส่วนปาหน้าอีกแปดอย่างก็คือน้ําผลสเคราอปผลกระเบาผ ล, ผลผู้ซา ปาหน้าที่ทำด้วยเปรียงน้ามันน้ำข้าวยาคูน้ำนมปาหน้าที่ทำด้วยรถนีะคือของดื่มเครื่องดื่มทั้งหลายอ่ะนะของเคี้ยก็คือของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งของเคี้ยวที่ทำด้วยขนมของเคี้ยวที่ทำด้วยเงาบรนของเคี้ยวที่ทำด้วยเปลือกไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยใบไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยดอกไม้ของเคี้ยวที่ทำด้วยผลไม้ผ้าก็คือผ้าหกชนิดไม่ว่าจะเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปาน ผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้เป็นต้นเจือกันฉะนั้นจึงชื่อว่าได้ข้าวน้าของเคี้ยวผ้าก็ดีก็ไม่ควรทำการสังสมไอ้คำว่าได้เนี่ยได้ยังไงคำว่าได้ก็คือได้แล้วรับแล้วได้มาแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วแต่ว่าได้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าได้ด้วยการโกหกไม่ใช่ได้ด้วยการพูดเรียบเคียงแสดงว่าได้โดยทำนะมใช่ได้ด้วยการทานิมิตไม่ใช่ได้ด้วยการกาจัดคุณเขา ไม่ใช่ได้ด้วยการแสวงหาลาบด้วยลาบนะพวกนี้เรียกว่าได้มาโดยสุจริตมาโดยอาชีพที่ถูกต้องมีใช่ได้มาโดยการให้ไม้จริงให้ไ ม, ใหไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องอาบน้ำให้จุนคือสบู่เป็นต้นเนี่ยนะพวกผงแฟบสบู่พวกนี้หรือด้วยการให้ดินเหนียวไม้สีฟันน้ำล้างหน้าพูดถ้อยคาที่ให้เขารักตนเนี่ยนะหรือด้วยคาพูดเลาะแหละไม่ใช่ได้มาด้วยการประจบ หรือว่าเป็นผู้นั่งบนตังคือไปตีสนิทกับเขามีใช่ได้มาด้วยวิชาดูพื้นที่เดรชานวิชาวิชาดูลักษณะวิชาดูเริกดูยามเป็นทูตหรือว่าเป็นคนรับใช้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เดินสารไม่ใช่ไปเวชกรรมทำยาให้เขาหรือว่าทำนวกรรมไม่ใช่ได้ด้วยการก้อนข้าวตอบแทนคือไม่ใช่ว่าเขาให้เราเราให้เขาอะนะแลกเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยการให้และการเพิ่มให้ แต่ว่าได้แล้วคือคือได้มาโดยอาชีพสุดจริตถูกต้องตามธรรมวินัยหมดเนี่ยนะคือได้แล้วรับแล้วได้มาแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วโดยสม่ำเสมอก็ไม่ควรทําการสั่งสม อธิบายว่าไม่พึงทําการสั่งสมข้าวสั่งสมน้ําสั่งสมผ้าสั่งสมยานสังสมที่นอนสั่งสมเครื่องหอมสั่งสมอามิตรคือไม่ยังการสั่งสมนั้นให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นได้แล้วก็ไม่ควรทําการสั่งสมทีนี้เมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นนั้นก็ไม่พึงสะดุ้งเนี่ยนะคือภิกษุ ไม่พึงตกลงใจตื่นเต้นสะดุ้งกลัวถึงความหวาดเสียวว่าเราไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำไม่ได้ผ้าไม่ได้สกุลไม่ได้คณะไม่ได้อาวาสไม่ได้ราบไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญไม่ได้ความสุขไม่ได้จีวนไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ยาเนี่ยนะไม่ได้คีฬานุปทากหรือว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงปรากฏเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงเป็นผู้ขลาดหวาดเสียวสะดุ้งกลัวไม่หนีไปพึงเป็นผู้ละความกลัวและความขลาเสีย ปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าถ้าได้ก็ไม่สังสมไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งสรุปคาถาว่าภิกษุได้แล้วซึ่งข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าก็ดีก็ไม่ควรทำการสังสมเมื่อไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำไม่ได้ผ้าไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องเสียใจอ่างนั้นนะเนี่ยข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะคนสมัยใหม่ฟังแล้วทาได้แลวเนี่ย แต่ก็มีผู้ทำได้นะสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นได้นะี่นะคือท่านไม่สังสมแล้วก็ท่านไม่ได้ท่านก็ไม่เสียใจเนี่ยนะภิกษุพึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าพึงเว้นขาดจากความขนองไม่พึงประมาทและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยอนะไปหาที่สงบวิเวกอยู่นะ คำว่ามีฌานเนี่ยนะมีฌานก็คือมีปฐมฌานมีทุติยฌานมีตติยฌานมีจัตุทฌานขันบอกให้มีฌานก็ต้องมีฌานสี่นั่นแหละทั้งรูปฌานอารูปฌานเป็นฌานที่มีวิตกวิจารณ์ฌานไม่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์ฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณฌานมีปีติฌานไม่มีปีติเนี่ยนะฌานสหรคตด้วยปีติฌานสหรคตด้วยสุขฌานสหรคตด้วยอุเบขา ฌานที่เป็นสุญญตานิมิตะหรืออัปนิหิตะฌานที่เป็นโลกิยะฌานที่เป็นโลกุตระพันได้ฌานให้หมดเลยเป็นผู้ยินดีแล้วในฌานคือ ย, ยินดีในฌานแม้กระทั่งรูปฌานฌานที่มีวิตกวิจารฌานมีปีติหรือว่าฌานที่สหรค ด, ด้วยสุขเป็นต้น น, นะนะฌานที่เป็นวิปัสนาคือสุญญาตานิมิตะอัปนิหิตะหรือว่าฌานที่เป็นโลกิยะโลกุตระ มันยินดีในฌานขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นผู้หนักอยู่ในประโยชน์ของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงเป็นผู้มีฌานเนี่ยนะสะรุปว่ามีทั้งลักคณูปนิสชาณมีทั้งอารัมมณูปนิสชาน ล, ลักคณูปนิสชานก็คือฌานในการเจริญสมถะทั้งหลายอารัมมณูลักคณูปนิสชานคะือฌานในการเจริญลักคณูนะลักคณูก็คือวิปัสนาอารัมมณูก็คือ สมถะนั่นเองฉนั้นก็มีฌานทั้งที่เป็นฌานสมถะและวิปัสนาคำว่าไม่พึงโลเลเพราะเท้าความว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าอย่างไรไนะก็มาดูภิกษุที่โลเลเพราะเท้าก่อนว่าภิกษุผู้โลเลเพราะเท้าก็ประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปนานเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามสู่อารามจากสวนสู่สวนจากบ้านสู่บ้าน จากนิคมสู่นิคมจากนครสูน่นครจากแว่นแคว้นสู่แว่นแคว้นจากชนบทสู่ชนบทเนี่ย น, นะที่เราเที่ยวไปเรื่อยนี่แหละโลเลเพราะเท้าอีกอย่างหนึ่งี่สู่ผู้โลเลเพราะเท้าในภายในสังขารามคือไม่ใช่เดินเพราะเหตุแห่งการทำเป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบเดินจากบริเวณสู่บริเวณจากวิหารสู่วิหารจากเรือนมีหลังคาแถบเดียวสู่เรือนหลังคาแถบเดียว เรีว่าจากกุดหนสู่กุดหนจากกุดหนสู่กุดหนึ่งไปเรื่อยอย่างเงี้นะเดินจากปราสาทสู่ปราสาทเดินจากเดินจากเรือนสู่หลังคาสู่เรือนเนี่ยนะจากหลังคาเรือนล้นจากหลังสู่หลังคาเรือนโล้นจากถ้ำสู่ถ้ำจากที่หลีกเล้นสู่ที่หลีกเล้นจากกุฏิสู่กุฏิจากเรือนยอดสู่เรือนยอดจากป้้มสู่ป้อมจากโรงปรำสู่โรงปรมจากที่พัก สู่ที่พักเนี่ยนะจากที่เก็บของสู่ที่เก็บของจากโรงชั้นสู่โรงชันจากโรงกลมสู่โรงกลมจากโคนไม้สู่โคนไม้เมื่อพิสูจนนั้นไป เ, เดินไปในสถานที่พิสูจนทั้งหลายนั่งกันเธอเป็นที่สองของพิสูจนรูปหนึ่งเป็นที่สามของพิสูจน์สาองรูปเป็นที่สี่ของพิสูจนสามรูป แล้วก็พูดเพ้อเจอกันพูดเรื่องชา้าเรื่องพระราชาเรื่องอามาตะเป็นต้นนะเห็นเขาประชมกันไม่ได้นะเขาอยู่คนเดียวก็ไปเป็นให้เป็นสองนะเขาอยู่สองอันไปเป็นสามไปแล้วก็จอ่อเดราชานกร า, าสนธนากันไปนี่เรียกว่าโลเลเพราะเท้ า, านะเที่ยวหาเพื่อนคุยนั่นแหละคาว่าพิสุไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าความว่าภิกสุพึงละบรรเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โลเลเพราะเท้า คือพึงเป็นผู้งดเวน้นเว้นขาดออกสละพ้นไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ประพฤติเอื้อเฟื้อเปลี่ยนอิริยาบถรักษาประพฤติรักษาบำรุงเยียวยาภิกษุนั้นเป็นผู้ชอบในความสงัดยินดีในความสงัดวขวนควายในความสงบจิตในภายใน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนอยู่ในศูนยาคาันคือเรือนว่างเปล่าเป็นผู้มีฌานยินดีในฌานขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นผู้หนักอยู่ในประโยชน์ของตนฉะนั้นพิสูจ์จึงชื่อว่าเป็นผู้มีฌานเนี่ยนะไม่พึงเป็นผู้โลเลเท้า